Thank <laughs> you. ที n ห่าง ่อยากจะทำเท่าไรดูเหมือนมันมีประโยชน์อะไรและมันคงเป็นได้เพียงแค่ฝันแม้ฉันพีงอยากจะเดินเข้าไปเหมือนว่าเธอก็จริงห่างไปไกลไม่มีเธออยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ เป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉัน